บางคนสงสัยว่าทำไมผีที่ถูกฆ่าตายถึงไม่ตามไปล้างแค้นให้หมดความจริงคือผีไม่ต่างกับคนในโลกนี้หากเราทำร้ายคนสิบคนจะมีบางคนให้อภัยไม่เอาเรื่องและบางคนคิดตอบโต้หาทางเอาคืนหากเรารวยมีอำนาจคนธรรมดาคงแก้แค้นได้ยากคล้านักการเมืองโกงทุกคนรู้แต่ทำอะไรไม่ได้แค่สาบแช่งและต้องรอให้หมดอำนาจก่อน จึงจะจัดการทำอะไรได้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเรามีบุญมากแม้เจ้ากรรมในเวรเก่าของเราที่เป็นผีอยากทำร้ายเราแค่ไหนด้วยกรรมดีของเราก็ทำให้เขาไม่มีโอกาสทำร้ายเราได้แต่ยกตัวอย่างกรณีท่านพาหิยะที่เพิ่งบรรลุอรหันต์นะครับคือนั่นคือชาติสุดท้ายของท่านแล้วโอกาสที่จะแก้แค้นไม่มีอีกแล้วกดแหงกรรมจึงเปิดโอกาสให้แก้แค้นครั้งสุดท้ายได้ ซึ่งท่านก็ไม่ได้มีความเจ็บปวดหรือทรมานหรือทุกข์ใจแต่อย่างใดเพราะสำเร็จอรหันแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะทรมานโดนแก้แค้นตอนเป็นอรหันแล้วเพราะเมื่อคุณเข้าถึงสภาพนั้นแล้วความทุกข์ใดๆก็เข้าถึงใจคุณไม่ได้อีกแล้วถึงเวลานั้นใครจะมาแก้แค้นก็ตามสบายเขาเถอะครับรับรับไปเถอะรับรองว่าสบาย คนตายแล้วเกิดเป็นอะไรอยู่ที่จิตสุดท้ายหากให้อภัยไม่โกรธจิตผ่องใสก็ไปเกิดเป็นเทวดามีสุขจึงไม่เห็นประโยชน์ในการตามล้างแค้นปล่อยให้กฎแห่งกรรมจัด ก, การเองดีกว่าก่อนตายหากแค้นเคืองจิตเศร้าหมองแถมบาปเก่าเยอะก็ลงนรกทันทีจึงไม่มีโอกาสตามล้างแค้นเมื่อหมดกรรมในนรกแล้วจิตยัอยงอาฆาตก็อาจได้เกิดใหม่เป็นวิญญาณร้าย ตามจองเวรได้อีกในหลายชาติต่อมาหรือสุดท้ายถ้าได้เกิดเป็นคนก็อาจมาเกิดเป็นคนรอบตัวเช่นได้เกิดเป็นลูกชั่วเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเป็นพนักงานขี้โกงได้เกิดมามีโอกาสทำร้ายคืนและวนเวียนทำร้ายกันไปไม่จบสิน้นเคยถูกเขาฆ่ า, าก็จะมีโอกาสได้ฆ่าเขาคืนบ้างเคยถูกคมขืนก็จะมีโอกาสคมขืนคืนบ้างแก้แค้นเสร็จ หลังตายก็ไปนรกอีกรอบหมดกรรมได้เกิดใหม่อีกทีเพื่อให้เขาทำร้ายคืนบ้างผลัดกันเปลี่ยนบทบาทเป็นโจรผู้เหี้ยมโหดและเป็นคนหรือสัตว์ที่โชคร้ายน่าสงสารเกิดเป็นวงเวียนกรรมไม่จบสิน้นนี่แหละครับในหลายศาสนาถึงเน้นการให้อภัยไม่จองเวรเป็นหลักเพราะจะได้ไม่ต้องตามจองล้างจองผ่านไม่จบสิ้นแบบนี้ หลายศาสนาเน้นเรื่องเมตตาให้อภัยไม่ตอบโต้ไม่ให้โกรธคนทำไม่ดีให้ศรัทธาในพระเจ้าหรือกฎแห่งกรรมที่จะลงโทษคนชั่วให้เองอย่างสาสมต้องแยกแยะด้วยนะครับว่าไม่โกรธให้อภัยไม่ได้หมายถึงต้องปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลการฟ้องร้องลงโทษคนผิดตามกฎหมายเป็นสิ่งพึงทำตามปกติและควรให้โอกาสคนหลงผิดได้แก้ตัวด้วย หลักกรรมตามปกติจะพยายามรักษาให้เราอยู่เส้นทางเดิมเสมอพลังกรรมแบบไหนเยอะกว่าไม่ว่าดีหรือชั่วเส้นทางกรรมแบบนั้นจะเป็นใหญ่ในชีวิตเราได้ง่ายมีพลังงานชั่วในตัวเยอะจะทำชั่วได้ง่ายทำบาปขึ้นเป็นที่ชื่นชอบของคนชั่วทำความดียากมีอุปสรรคขัดขวางทุกครั้งที่ตั้งใจทำดีคิดจะรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ ก็มียุงมากัดเยอะเสมอคิดไม่ด่าใครแล้วก็จะมีคนมาทำให้โกรธจนต้องด่าคิดจะไม่นอกใจแฟนก็จะมีคนน่ารักมายั่วให้ตาบะแตกคิดไปทำบุญก็มีเหตุให้ทะเลาะกับคนที่จะไปด้วยตรงข้ามกับคนที่สะสมพลังงานดีไว้เยอะคิดจะทำชั่วก็มีเหตุให้ทำไม่ได้จะดมกาวดูดกัญชาก็เหม็นทนไม่ไหว จะตกปลาก็ไม่มีวิ่ววจะทำได้จะนอกใจแฟนก็ดันท้องเสียรถเสียสมัครงานอาชีพบาปเขาเห็นหน้าก็หมั่นไส้ไม่รับทำงานทุกชีวิตจะฉีกเส้นทางเดิมของตนได้ต้องใช้กำลังมหาศาลโดยเฉพาะจากชั่วเป็นดีแต่จากดีเป็นชั่วอาจไม่ต้องพยายามเท่าไหร่เพราะจิตมนุษย์คอยไหลต่าลงอยู่แล้วนะครับ พระไตรปิฎกกล่าวถึงนางสุชาดาประมาทเสพสุขใช้บุญจนหมดตายจากเทพธิดามาเกิดเป็นนกยางแต่ด้วยเมตตาของเท้าสักกะหรือพระอินในฐานะที่นางสุชาดาเคยเป็นบริวารของท่านจึงลงมาสอนให้รักษาศีลการตายจากคนหรือเทวดาเป็นสัตว์ทันทีโดยม้กจะมีจิตรับรู้ได้เหมือนคนปกติสังเกตหมาแมวบางตัวนะครับที่คุยรู้เรื่องกว่าคนซะอีก ลองสังเกตสิว่าบางทีจ้องหน้าทำท่าขยับปากเหมือนจะพูดอะไรกับเราสักอย่างนางสุชาดาที่เกิดเป็นนกยางเมื่อได้รับฟังการสอนจากพระอินทร์ก็เกิดจิตตั้งมั่นรักษาศีลดยเลือกกินเฉพาะปลาตายซึ่งมีโอกาสเจอน้อยมากไม่นานก็ขาดอาหารตายแต่ด้วยบุญที่ยอมรักษาศีลด้วยชีวิตจึงได้เกิดเป็นคนทันทีในชาติต่อไป เป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตด้วยการฝืนใจอย่างมหาศาลไม่เช่นนั้นก็ต้องวนเวียนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องทนลำบากในสภาพนั้นต่อไปอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนชาติย้อนดูการพยายามแก้กรรมของคนปัจจุบันนะครับมีสักกี่คนที่ยอมฝืนใจในสิ่งที่ทำได้ยากเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เส้นทางที่ดีกว่า มีแต่คิดมักง่ายแบบโง่งๆว่าจะใช้พิธีกรรมหรือเงินซื้อของทำบุญเพื่อแลกกับความชั่วที่เคยทำในอดีตได้หลายคนจึงเสียเงินเสียตัวฟรีเพราะแนวทางพิธีแก้กรรมไร้สาระแบบปัญญาอ่อนนี่และครับกรรมเก่ามีอิทธิพลระดับหนึ่งในการกำหนดชีวิตให้ต้องเจอต้องเป็นไปตามกรรมที่สะสมมาที่เรียกว่าดวงชะตาดาวอะไรก็ไม่มีผลพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดว่า ทำดีมเมื่อไรเลิกดีเมื่อนั้นกรรมเก่าก็คือส่วนหนึ่งแต่กรรมใหม่นั้นให้ผลรุนแรงกว่าและเปลี่ยนชีวิตให้เราได้จริงในชาตินี้วิธีที่ดีกว่าการแก้กรรมซึ่งมักทำได้แค่ยืดเวลาให้ผลของกรรมเท่านั้นก็คือการปฏิบัติตนเพื่อชนะกรรมง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดี ทำดีให้ครบทุกด้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับความลําบากบางเรื่องไม่ใช่กรรมเก่าที่เคยทําชั่วแต่มันคือธรรมดาของโลกที่ต่อให้เราทําดีแค่ไหนก็มีคนพร้อมจะเบียดเบียนเราเสมอเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนชั่วนะครับคนชั่วมันต้องทําชั่วมันก็เลยต้องเบียดเบียนเราและมันก็จะไม่รู้สึกไม่รู้จักบุญคุณของเราทําดีกับมันเท่าไหร่ มันก็ไม่เห็นคุณค่าของเราอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจากประสบการณ์ตรงที่ผมได้เจอเองก็คือถ้าเราตั้งมั่นในการทำดีอย่างถึงที่สุดความโชคร้ายหรือการเสียอะไรไปจะเพื่อได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมาเสมอเหตุการณ์ร้ายหลายอย่างอาจเพียงเพื่อเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราให้ดีกว่าเดิมนะครับเช่นคนรักเก่านอกใจไปก็เพื่อเปิดทาง ให้คนรักใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนโดนไล่ออกจากงานหรือออกจากโรงเรียนก็เพื่อให้ได้ไปเป็นเจ้านายตัวเองได้พบธุรกิจและเส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นธุรกิจล่มจมอาจเพราะบุญของเราที่สกัดไม่ให้สะสมอกุศลจากอาชีพเจือบาปคนดีมีบุญเก่าหนุนหนักอาชีพห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้คนมีบุญมักทาไม่ขึ้นเปิดร้านเหล้าก็เจ๊ง บางคนบารมีพร้อมจะบรรลุธรรมแต่ถ้ายิ่งรวยหรือประสบความสำเร็จมากอาจเป็นทางหายนะพาล่มจมให้ลุ่มหลงโมเมาในทรัพย์สมบัติละสุขที่ไร้าสาระคนจำนวนมากเหมือนพลังบุญช่วยให้เจอเรื่องร้ายธุรกิจล้มแฟนนอกใจบีบบังคับทางอ้อมให้เข้าวัดศึกษาธรรมะอย่างจริงจังแล้วในที่สุดจึงเห็นว่าอริยทรัพย์มีค่ากว่าสุขทางโลกแค่ไหน การได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาที่คงคำสอนการเจริญสติแบบถูกต้องถือเป็นโอกาสยากในสังสารวัตรอันยาวนานไม่รู้อีกกี่แสนชาติจะได้เจอคำสอนเช่นนี้อีกเป็นโอกาสที่ดีที่ธรรมะจัดสรรให้ได้มุ่งหน้าไปทางธรรมะเต็มตัวหลายคนต้องขอบคุณความซวยขอบคุณคนรักที่นอกใจที่เปิดโอกาสให้พบเห็นแสงสว่างอันเจิดจ้าในพระธรรม เรื่องกรรมซับซ้อนมากแต่ก็พออธิบายคร่าวๆได้หากอยากเข้าใจจริงต้องปฏิบัติธรรมถึงจุดเท่านั้นโดยค่อยเป็นค่อยไปอย่าเอาหลักของนักบวชเคร่งครัดมาใช้กับคารวาสหรือวัยรุ่นและคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำหน้าที่ของตนให้ดีอย่างน้อยก็สวดมนต์ให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็แนะนำบทสวดภาษาไทยล้วนสาหรับคารวาสซึ่งจะมีผลดีกว่าการสวดบาลีที่แปลไม่ออก หรือสวดบาลีคำแปลไทยคำซึ่งจะทำให้เสียเวลาเยอนเยออเกินความจำเป็นของคารวะอย่างพวกเรานะครับ